กรรมด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องความร่ํารวยเกิดจากความมีใจกว้างมีใจเผื่อแผกรรมใดที่เป็นไปเพื่อความกรุณาต่อผู้อื่นช่วยให้ทุเหล่าทุกช่วยให้ความสุขช่วยให้ความสบายช่วยให้ความปลอดภัยกับมหาชนกรรมนั้นย่อมขยายขอบเขตอาณาจักรเงินทองได้ทั้งสิน้นคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิต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 และความเสื่อมสูญไปของทรัพย์จึงแบ่งแยกออกได้เป็นประเภทตามกรรมอันหลากหลายแต่โดยย่นย่อแล้วสภาพความร่ำรวยแบ่งได้เป็นสี่ชนิดดังนี้ 1. รวยด้วยลาบลอยบางคนเกิดมายากจนแต่อยู่ๆถูกหวยใต้ดินหรือเล่นลอตเตอรี่ได้รางวัลที่หนึ่ง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 ก็จะมีผลให้เกิดลาบลอยด้วยแต่ความยิ่งใหญ่ของผลอาจลดหลั่นลงไปตามกำลังใจที่คิดให้ตลอดจนระดับศิลธรรมของผู้รับและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชีวิตของผู้รับนั้นๆ 2. รวยด้วยมรดกกองมรดกมีนิยามตาม ต, ามตัวบทกฎหมายคือบรรดาทรัพย์สินของผู้ตาย ส่วนใครมีสิทธิ์ครอบครองมรดกของผู้ตายก็ว่ากันไปตามพินัยกรรมหรือการสั่งเสียมรดกยังมีประเภทของมันเองเช่นมรดกคู่ชีพคือเกิดมายังไม่ทันไรก็ได้เลยเช่อนอายุยังไม่ถึง20สิบแต่เจ้าคุณปู่แบ่งสมบัติให้แล้ว100รล้านเห็นได้ชัดว่าเพียงไรายได้อันเกิดจากดอกเบี้ยรายปี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 ต้องให้คนเขาสู้กันหรือต้องให้แข่งขันชิงใช้เสก่อนคนชนะจึงมีสิทธิ์ได้รับรางวัลพวกที่ให้ทานร้อนกับคนอื่นไว้ก็มารวมเครือญาติรับมรดกร้อนร่วมกันทั้งนี้แม้ของเก่าเป็นกรรมร้อนก็ไม่แน่ว่าปัจจุบันใจจะต้องร้อนไปด้วยมรดกเลือดคือสมบัติเป็นเหตุแห่งศึกสายเลือด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 ให้ได้เป็นพ่อค้าแม่ขายที่ทาธุรกิจประสบความสาเร็จรุ่งเรืองตรงจุดนี้ขอให้สังเกตด้วยว่าภาพของกิริยาที่ทากรรมย่อมสะท้อนกลับมาเป็นภาพของปฏิกิริยาที่สอดคล้องเมื่อรับผลกรรม่วนรากของกรรมที่บรรดาให้เป็นคนรู้มากสามารถมากเก่งมากฉลาดมาก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 ช่วยกันเชียร์จนค่าตัวสูงลิบต่อให้ไม่ชนะทุกไฟต์ก็ตามถ้าเคยใส่ใจไถ่าถามพระหรือผู้ทรงศีลหรือพ่อแม่ว่ามีโรคทางกายอย่างไรลำบากเรื่องสุขภาพประการใดแล้วขวนขวายหาอยู่ยาหรือหนทางรักษาท่านด้วยความรู้จักเลือกยาเลือกหมอกับทั้งรักษาได้สำเร็จ